มันพระองค์พระพุทธเจ้าก็ชวนพระอนนท์ไปส่งน้ําที่ท่าของพระองค์ส่งน้ำํำไปถึงพระองค์ก็ส่งน้ําถามว่าทำไมพระองค์จึงส่งน้ำเขาบอกว่าเพื่อให้สรีระเป็นไปสบายจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยนะฝุ่นละอองไม่แปดเปื้อนเนื้อตัวแต่การอาบเพื่ออาวุณภูมิเนี่ยนะเพราะว่าสรีระที่มีวิญญาณครองจําเป็นต้องอาศัยความร้อนและ ความเย็นเนี่ยนะความเย็นความร้อนก็มาช่วยทําให้สรีระสดชื่นบางทีนะัสังเกตดูถ้าอบอ้าวถ้าได้อาบน้ําก็สบายใช่ไหมบางทีถ้าต้องอาบน้ําเย็นแล้วสบายบางทีอาบน้ําร้อนแล้วก็สบายเพราะร่างกายเนี่ยอุณหภูมิภายนอกนมีอิทธิพลต่อร่างกายเนี่ยเยอะมากก็เรียกว่ากลุ่มอุตุชลุบเนี่ยนะอุตุโภชนะเสนาสนะพวกนี้ก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยที่สําคัญต่อจิตใจเหมือนกัน พระพุทธเจ้าก็ส่งน้ําแต่ไม่ใช่ส่งเพราะแบบมีเท่าใครแบบเปื้อนเนื้อตัวเนอะหนะอะไรไม่มีมีแต่ว่ า, าได้รับอุณหภูมิรับความเย็นความร้อนเป็นต้นนั่นเองพระองค์ก็ไปส่งน้ําตอนที่พระองค์ส่งน้ําพระองค์ก็เปลื้องผ้าแดงสองชั้นทรงนุ่งผ้าอาบน้ำํำผ้าอาบน้ําฝนเนี่ยนะผ้าอาบน้าทั่วไปก็คือปกติแล้วชีวรพระพุทธเจ้าสีอะไรเขาบอกว่าสีแดงนะ แต่ก็ไม่ใช่แดงจี๊ดเลยก็งไม่ใช่นะแต่ว่าผ้าพระพุทธเจ้าที่ใช้สอยเนี่ยจะออกเป็นผ้าแดงพระเทเรนก็รับผ้าพื้นใหญ่ทั้งสองชั้นคือผ้าสังฆิของพระพุทธเจ้าไว้ที่มือของตนก็ถวายผ้าส่งน้ําไปเนี่ยนะพระองค์ก็เสด็จลงส่งน้ําฟูงปลาและเต่าในน้ําก็มีสีเหมือนทองไปหมดเพราะอะไรเพราะผิวของพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนทองแล้วก็แสแผ่รัศมีออกเป็นสีทองลงไปในน้ําน้ําก็จะเป็นน้ําทอง ปลาทุกตัวที่อยู่บริเวณนั้นเป็นปลาทองนะอย่าดีใจไหมอยากเป็นปลาอาบนะ้ำใกล้พระพุทธเจ้านะไม่ต้องแล้วนะได้ฟังธรรมได้เรียนคําสอนก็เอาแล้วอย่าไปแบบแหมคิดนะถ้าได้เป็นปลาอยู่เ่านั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นนะี่ะคิดว่าเออถ้าได้แหมถ้าได้มีโอกาสได้ฟังธรรมได้กราบไหว้บูชาได้พบเห็นศรัทธาจะเกิดไม่ใช่น้อยเนี่ยนะนะพระองค์ก็ส่งน้ําบอกว่าครั้งนั้นเนี่ยเป็นเหมือนกับเอาทนานยนีนย่รถสายน้ําทอง แล้วก็เหมือนกับแผ่แผ่นทองน้ํากลายเป็นน้ําทองไปเลยนะไม่ใช่ทองแท้นะแต่ปกลายเป็นสีทองไปหมดเพราะเป็นมาจากรัศมีจากสรีระของพระผู้ทวเจ้าครั้งเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมเนียมการส่รงน้ําเสร็จแล้วพระองค์ก็ส่งส่งน้ําเสด็จขึ้นพระเทระ ก, ก็น้อมผ้าผืนแดงสงชั้นถวายพระองค์ก็ทรงนุ่งผ้านั้นทรงค้าประคดประคดเอวเนี่ยนะก็คือประคดเอลก็คือเข็มขัดอ่ะนะ ถ้าเป็นค า, ารวะก็เรียกเข็มขัดถ้าเป็นของพระก็เรียกว่าประคตเอวก็คือผ้ารัดเอวนะั่นแหละผ้าไม่ให้สะบงมันตกอ่ะนะก็คือประคดรัดเอ่อรัดตะคดหรือที่เรียกว่าเข็มขัดก็ที่เหมือนกับสายฟ้าจับผ้าผื้นใหญ่ที่ชายทั้งสองแล้วก็รวบชายน้อมเข้าทําให้เป็นเหมือนกลีบประทุมประทับยืนอยู่บอกว่าจีวรของพระพุทธเจ้าทับซ้อนกันยังไงก็บอกเหมือนกลีบบวัวนะซ้อนซ้อนกันอย่างนั้นแหละ พัน์ท่านก็เลยกล่าวว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสงพระองค์ที่ซุ้มประตูด้านหน้าเสด็จขึ้นประทับยืนมีจีวรผืนเดียวก็พระสรีรักของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประทับยืนอย่างนี้ขณะที่นุ่งผพพ้าผืนเดียวเนี่ยนะรุ่งโรดคือแผ่สัน้นเหมือนสะที่เต็มไปด้วยดอกบัวถ้าสังเกตดูสะที่บัวเยอะๆเนี่ยนะจันใดสรีรักของพระองค์ก็เป็นเช่นนั้น เหมือนดอกบัวที่กำลังเย้เหมือนต้นปริชตตกะที่มีดอกออกบานสะพรั่งเหมือนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวที่ระยิบระยับหรือเต็มไปด้วยพยับแดดระยิบระยับไปหมดเหมือนจะเรียกร้องมิ่งขวัญและกลุ่มลักษณะเนี่ยนะพระองค์เนี่ยประกอบด้วยมหาปริศลักษณะ32อันประเสริฐเนี่ยนะลักษณะตั้งแต่ไหนตั้งแต่น้นะพื้นพระบาทไล่จะไปจนถึ ง, ถงพระเศียรเนี่ยนะก็ประกอบด้วยมหาปริศลักษณะ 32. อนุพยัญชนะประดับเล็กน้อยในร่างกายอีก80สงดงามแวดล้อมด้วยรัศมีที่แผ่ซ่านออกจากพระวรกายเนี่ยหนึ่งวาปกตินะหนึ่งวาจริงๆแล้วพระองค์ก็สามารถแผ่ซ่านรัศมีให้เป็นไปยอย่างไม่มีที่สิ้นสุดพูดถึงรัศมีของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะฉับพันณรังศีของพระพุทธเจ้าเนี่ยถามว่าตอนนี้หมดหรื อ, อยังก็บอกว่ายังคือ <c oughs> ตอนที่พระองค์เร่ตัสรูเนี่ยนะพระองค์ประทับนั่งอภิพิจารณาพิธรรมแล้วก็เกิดพระรัศมีแผ่ซ่านออกไปแล้วรัศมีเนี่ยมันแผ่ซ่านออกไปข้างนอกอากาศเนี่ยมันไม่มีที่สุดพระฉับพัระลังสีรัศมีที่ซ่านออกจากพระวรากายเนี่ยก็ไปตอนนี้ก็ยังไม่สุดเลยว่างั้นนะก็ยังแผ่เนี่ยนะไม่รู้ว่าไปถึงไหนแล้วก็ไม่ทราบนะแต่ว่าสรุปว่าไปไกลมากแต่ว่าฉับพันระรังสีของพระองค์เนี่ยยังอยู่ถึง ปัจจุบันเนี่ยนะแผ่ซ่านไปยนยอยังอยู่ในปัจจุบันเพราะอะไรเพราะอากาศไปยังไงให้มันสุดมันก็ไม่มีสุดเนี่ยนะรัศมีก็แผ่ซ่านไปเช่นนั้นถ้าใครอยากไหว้พระฉับพานรังสีไหว้ได้ทุกทิศเลยเนี่ยนะเพราะว่าฉับพานรังสีแผ่ไปทั่วทหมดแล้วพระพุทธเจ้านั้นรุ่งเรืองรุ่งโรจน์เหมือนดวงจันทร์สาดวงเหมือนดวงอาทิตย์32ดวงทีร่ร้อยกันเอาไว้เหมือนพระเจ้าจากักรพรรดิสาองค์เหมือนเทวราช ราชาของเทวดา32มองค์เหมือนกับเท้าหมหาพรหม32องค์ที่สถิตยอยู่ตามลำดับเนี่ยนะเขาเรียกว่าเอาของดีๆมารวมกันเยอะเนี่ยนะเราเป็นที่ตั้งแห่งความตื่นตาตื่นใจน่าตื่นเต้นจนเห็นเทวดาเขาก็ เ, เฉยๆคือคนสมัยพุทธกาลเนี่ยจริงๆเห็นเทวดาเขายังไม่สนใจเลยนั้นเห็นเทวดาเห็นพระราชาเห็นอะไรทุกคนไม่สนใจดูพระพุทธเจ้าอย่างเดียว นนะทีนี้เขาดูพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาไม่ได้แบบแหม่ดูงูสวยงามเขาไม่ได้คิดอย่างนี้ดูโอ้สรีระที่บุญตกแต่งมานะเนี่ยเป็นบุญเหล่านี้ก็นึกถึงบารมีคุณของหมดของพระองค์ที่บำเพ็ญมาในอดีตใช่ไหมระลึกว่าเออเนี่ยเนี่ยเป็นผลของฐานบารมีที่พระองค์สั่งสมมาดีทําให้สรีระของพระองค์เป็นเช่นนี้นี้เป็นผลของศีลบารมีที่พระองค์สั่งสมมาดีพระสรีระของพระองค์จึงเป็น เช่นนี้ทันเวลาที่เราไปชมพระพุทธรูปที่ ง, งามๆรละลึกอย่างนี้ไหมนี้บารมีนะตกแต่งมาในนะานบารมีตกแต่งให้พระองค์เนี่ยงดงามอย่างเช่นเราเห็นพระพุทธรูปหลวงพ่อเมตตาเนี่ยนะ พุทโธุบปเมตา่าสมณ ด, นะดูพระ อ, องค์ยิ้มแย้มแจ่มใสนี้เป็นผลของฐานบารมีนี่เป็นศรีระที่เป็นผลของศีลบารมีนี่เป็นศิริระที่เป็นผลของเนคขัมมะบารมีปัญญาบารมีคันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาบารมีเป็นผลผลิตของบารมีที่พระองค์สั่งสมตลอดสี่อสงไข่แสนกลับเนี่ยนะพระองค์จึงมีผิวพรรณวันณนะมีรูปร่างจึงเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญตาและเจริญใจเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งปีติและ ปราโมทเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาและสรีระของพระองค์เนี่ยนะยังเห็นพระโอส์ก็โอเนี่ยเป็นสถานที่พระองค์เคยประกาศพระธรรมเทศนาเนี่ยนะที่ประกาศพระธรรมจักรเป็นต้นเนี่ยประกาศพระธรรมขันแปดหมื่พันพระธรรมขันทานพระโอส์ของพระองค์เนี่ยนะเปล่งออกมาเปล่งออกมาเป็นพระธรรมเทศนาต่างๆ แ้วมองที่ตาพระองค์ที่พระเนตรของพระองค์ว่พระองค์มีมังสะจักสูรัโดยปกติมองเห็น16กิโลเมตรโดยรอบทั้งกลางวันกลางคืนพระองค์มีตาที่พระองค์มีพุทธจักสูพระองค์มีญานจักสูพระองค์มีธรรมจักสูเป็นสรีระที่ได้รับการกําหนดรอบรู้เนี่ยนะสิ่งใดที่ควรกําหนดรอบรู้ก็กาหนดรอบรู้หมดแล้วบาปอกตศลธรรมเหล่าใดที่ควรละพระองค์ก็ละเสร็จสิ้นแล้วพระองค์ควรทําให้แจ้งธรรมเหล่าใดพระองค์ก็ทําให้แจ้ง หมดแล้วและคุณธรรมเหล่าใดที่มีอยู่ที่ควรเจริญพระองค์ก็เจริญครบถ้วนสมบูรณ์และบริบูรณ์นั้นพระองค์นั้นเป็นพระอรหังนะมองเห็นพร ะ, พ, ระพุทธรูปก็ระ ล, ลึกว่าพระองค์เป็นพระอรหันต์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นผู้อ ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะผู้เสด็จไปดีแล้วผู้รู้แจ้งโลกผู้ฝึกสารถีที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าไม่ใช่ไปสวดเฉยๆแต่เข้าใจพุทธคุณเลยว่าพระองค์มีพระคุณเช่นนี้พระองค์มีพระคุณเช่นนี้พระองะค์ถึงพร้อมด้วยศีลอย่างนี้พระองค์ถึงพร้อมด้วยสมาธิอย่างนี้ถึงพร้อมด้วยปัญญายอย่างนี้วิมุตติยานทธสะนะก็ระลึกไปเห็นไปเราก็จะเห็นว่าพระองค์นี้เป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยพระ พุทธคุเนี่ยนะเห็นพระสรีระระลึกถึงพระปบพระจริยาคุณเห็นพระสรีระนึกถึงพระพุทธคุณและพระองค์ก็ดูเอ่อแล้วก็ดูต่อไปอีกว่าเนี่ยร่างกายอันนี้แหละเป็นที่ตั้งแห่งการบําเพ็ญพระพุทธกิจทั้งหลายเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งบังการบําบเพ็ญพุทธกิจเนี่ยนะทางตั้งกะเช้าสายกลางวันบ่ายหัวค่ํปาปฐมยามเที่ยงคืนเป็นต้นเนี่ยนะก็ระลึกถึงพระพุทธกิจที่พระองค์บําเพ็ญที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลแก่ เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแล้วก็ค่อยๆระลึกต่อไปว่าแล้วพระองค์บอกอะไรเราพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นสอนอะไรเราพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นแสดงทำอะไรให้เราฟังอย่าลืมว่าประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์ก็คือศึกษาและปฏิบัติในศาสนาของพระพุทธเจ้าเราต้องเห็นพระพุทธคุณเห็นพระสรีระกคุณเห็นพระพุทธคุณเห็นพระพุทธกิจเห็นพุทธธรรมคําสอนที่พระองค์ประกาศแสดงออกมาที่เป็น สวากขาโตพระคาวตาธรรมโมแล้วเราจะปฏิบัติตามพระธรรมทั้งหลายเหล่านั้นที่รองบอกกล่าวบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยทําให้ง่ายทําให้ตื้นจะประพฤติปฏิบัติตามได้อย่างไรพยามเห็นคุณพระรัตนตรัยที่สุดเท่าที่จะเห็นได้ถ้าไม่เห็นคุณของพระรัตนตรัยเนี่ยเราปฏิบัติคนลาศาสนากันแล้วเนี่ยนะถ้ามองไม่เห็นคุณพระรัตนตรัยเนี่ยทำคนละเรื่องจริงอยู่ใช้ศัพท์เดียวกันคือสติแต่ไม่รู้ ส, สติของใคร คนรัสติกันแล้วเจเริญปัญญาก็คนรับปัญญ า, าเจริญมรรคก็คนลำมรรคอาจจะไม่ใช่มรรคของพระพุทธเจ้าเพราะเราต้องพยายามรำพึงรำลึกถึงพระพุทธคุณเอาไว้ให้มากมากว่าทําอย่างไรเราจะใส่ใจประพฤติป ฏ, ปฏิบัติเป็นไปตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะอย่าลืมว่าพระองค์ไม่หลอกลวงเราหรอกเนี่ยนะก็เพราะอะไรอย่างก็มีพราหมณ์คนหนึ่งเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะที่บอกว่าพระองค์ไม่ไม่บริโภคกลิ่นดิบก็คือ ก็บอกเอ้คือคือเขาเนี่ยเป็นนักมังสวิรัติเนี่ยนะเขาไม่กินเนื้อสัตว์ก็บอกว่าพระองค์สวยกลิ่นดิบไหมบอกเราไม่สวยกลิ่นดิบตอนหลังเห็นพระพุทธเจ้านั่งฉันเนื้อนกอยู่แล้วก็ด่าเอ้ท่านเนี่ยมูสาไหนว่าไม่กินกลิ่นดิบก็บอกว่าแค่พูดไปพูดมาเอ๊ะนี่ลักษณะคนแบบนี้ไม่มู้ษาเออดูจากรูปร่างลักษณะนี้เนี่ยนะลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาามีคัมภีร์มหาปริศลักษณะอยู่ มาปริศลักษณะแบบนี้คนที่มีลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่เป็นผลของการมูสาวาทท่านต้องไม่มูสาเอและไอ้กลิ่นดิบของท่านคืออะไรพระพุทธเจ้าก็บอกราคะโทสะโมหะเป็นต้นเป็นกลิ่นดิบพันธุ์พงไม่บริโภคกลิ่นดิบพรบาะนั้นเนื้อและเอ่อพวกอาหารทั้งหลายเนี่ยไม่ชื่อว่าเป็นกลิ่นดิบพระองค์ก็แสดงในอามคันทสูตรเนี่ยนะก็เป็นอย่างนั้นเพราะุ์เขาเข้าเห็นศรีรลปับ๊บเขารู้เลยว่าพระองค์จะไม่หลอกลวงสาวกด้วยธรรมเทศนาเนี่ยนะ ถามว่าเพราะอะไรเพราะจะไม่รู้จะหลอกไปทําไมพราคนทั้งหลายจะหลอกก็เพื่ออํานาจชื่อเสียงสิ่งเหล่านั้นพระองค์ก็มีหมดแล้วต้องการความพักดีหรืออะไรอย่างใดอย่างหนึ่งะพระองค์ไม่รู้จะทําไปทําไมเพราะสิ่งที่ทุกคนต้องการก็มีอยู่ในพระองค์โดยเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะคือคือเขาเรียกว่า เอื้อมมือไปนะอากาศนี่จะเอาแก้วแหวนเงินทองจะเอาเท่าไหร่ก็ได้อย่างที่มารนบอกว่าพระองค์นี่มีอิทธิบาทอันเจริญไว้ดีแล้วถ้าพระองค์ประสงค์เนรมิตภูเขาภูเขาทั้งลูกให้เป็นทองก็ได้หมดถ้าพระองค์ประสงค์สมมติไม่รู้ถ้าหลอกคนอื่นก็เพื่อเอาแก้วแหวนเงินทองใช่ไหมมันก็มีอยู่แล้วนะถ้าจะเอาวเศกแผ่นดินทัน้งแผ่นดินให้เป็นทองไปหมดให้เป็นเพชรไปหมดให้เป็นอะไรไปหมดพระองค์ก็ได้อยู่แล้วทีนี้อันนั้นใ น, ในโลกของรูปธรรม ได้รูปร่างดีสุขภาพดีผิวพรรณดีมีชื่อเสียงมีลาบสาการะสิ่งเหล่านั้นพระองค์ก็มีอยู่แล้วถามว่าถ้าต้องการสิ่งที่มีอยู่ในใจต้องการคุณธรรมที่มีอยู่ในใจเพราะสิ่งเหล่านั้นพระองค์ก็มีอยู่แล้วพราฉะนั้นพระองค์จึงไม่เห็นประโยชน์อะไรที่จะต้องไปมุสาวาตเหล่าสาวกทั้งหลายเป็นต้นนอกจากการแสดงธรรมเพื่อประโยชน์เพื่อเกือ้อกูลเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์แก่หมู่มวลทเท ว, วดาและมนุษย์ทั้งหลายนอกจากเพื่อการ สงเคราะห์สรรพสัพท์ทั้งหลายเท่านั้นนั่นเองเนี่ยนะมันพระองค์เนี่ยจึงเป็นประผู้ที่ประกอบด้วยมหาปริศรลักษณะนะพยายามที่จะระลึกนะว่าเห็นพระสรีระคุณเห็นพระพุทธรูปแล้วระลึกถึงพระปุพพาริยาคุณเหตุหรือข้อปฏิบัติมีบารมีสิบอุปปารมีสิบปรมัทตปา ร, ม, ปารมีสิบมหาบริจากหาคุณธรรมทั้งปวงที่ พระองค์เนี่ยนะเจริญจำเนกตกแต่งให้พระองค์เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยมหาปุริสลักษณะสามสิบสองประการแล้วก็มหาปุริสลักษณะเหล่านี้แหละเป็นที่ตั้งแห่งอรหันตคุณเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งพระสัพพัญยุตยานเป็นที่ตั้งแห่งอนาวรณายานเป็นที่ตั้งแห่งอินเดียประโภปริยตยานเป็นที่ตั้งแห่ง มหากรุณาสมาบัติยานยะมะกะปาติหารยะยานเป็นต้นเนี่ยนะเป็นทัศเรระแ ะ, ะลึกถึงพระคุณต่างๆของพระองค์ที่แสดงธรรมช่วยปลดเรื่องสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกโศกหาประมาณไม่ได้ช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากชาติชราและมรณะอันหาประมาณไม่ได้เนี่ยนะจริงเขาบอกว่าในอัตถคถาท่านบอกว่าถ้าธรรมกถึกเนี่ยนะควรจะยกพุทธกุลมาสรรเสริญให้เยะที่สุดเท่าที่จะ เยอะได้ขณะที่บรรยายพุทธคุณบางแห่งก็บอกว่าอย่าไปคิดว่ากำลังพูดออกนอกเรื่องนอกราวเพางั้นนะอย่าไปคิดว่าแม้ธรรมกะถิกย่านทายเทศไปเรื่อยว่าไปเรื่อยไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเพราะว่าการชื่นชมพระพระพุทธคุณสันเสริมพระสรีระคุณก็ตามสันเสริมพระพุทธคุณทั้งหลายก็ตามอันนี้เป็นหน้าที่ของพระธรรมกถิกที่จะต้อง สแสดงที่จะต้องประกาศเนี่ยให้คนเห็นพระพุทธคุณเพราะผู้ใดเคารพในพระพุทธเจ้ารู้คุณของพระพุทธเจ้าก็จะเคารพในพระพุทธเจ้าเมื่อเคารพในพระพุทธเจ้าก็จะเคารพในสิ่งที่พระพุทธเจ้าป ร, รารถรูเคารพในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วก็เคารพต่อผู้ที่ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคารวะโวจะก็กลายเป็นผู้ที่มีมงคลใช่ไหมมีสัมมาคารวะก็สามารถที่จะรองรับคุณธรรมชั้นสูงอีกต่อไป ทีนี้อืมเมื่อพระพุทธเจ้าทรงน้ําเสร็จส่งน้ําขึ้นจากน้ําสรงน้ําเสร็จแล้วเนี่ยนะกลับมาทรงจีวรผืนเดียวประทับพึ่งพระองค์อยู่ทีนี้ตอนที่พระองค์กาลังประทับยืนพึ่งพระองค์อยู่เนี่ยนะท่านท่านนนก็กราบทูลว่าพระเจ้าค่าอาสมของพราหมณ์ชื่อว่ารัมมะกะอยู่ไม่ไกลจากสถานที่ตรงนี้เนี่ยนะอาสมของพราหมณ์ชื่อว่ารัมมะกะเป็นสถานที่น่ารื่นรม หน้าเลื่อมใสขอโปรดเสด็จไปณนะที่นั้นเพื่ออนุเคราะห์ด้วยเถิดไปเพื่ออนุเคราะห์พระพิสุห้าร้อยรูปนั้นด้วยเถิดพระนนท์นี้ไม่ใช่แบบแหนนิมนต์พระพุทธเจ้าตั้งกระเลไว้เลยอะไรไม่ได้แล้คือได้หาโอกาสที่ประจวบเหมาะบอกว่านิมนต์ช่วยสงเคราะห์พระพิสุทั้งห้า้อรูปนั้นด้วยเถิด